เป็นตงยางส Cold, ี่เกาะี่สอนแต่ก็ส่เสาจิตเ้าใจวนตัวเนี้มันคยบอกคยสอนตั้งซือวะเนี่ที่นีที่เ้านาังซือวะเดีเยวดี๋ยวถ้มันกับว่เป็นผลอันได้หาเพือนกัเขาคือคือวะเห็ดว่าลงมือทํานั่นกับว่าเป็นการเป็นงานหา ว่าว่าหน้าวะจึงได้ได่คือไปคือมันบอลหล้วัตทัวให้ลงมือทําไปน้ำเหมือนงานทางใจเลยท่ำนองเดียวกลั่นแล้วอย่างภาวนาตั้งรับดาวล่าสิเพื่นบอกเพื่นสอนนั่นมันเป็นเหลี่ยงของผู้อื่นมันเป็นเหล่ยงของเฮ้ามันเฮีได้หรือุู้บายที่ทได้เพื่นก่นนามาเขียนไว้บอกไว้ มาทำยางนันทำยางนั่นเดางนั่นยางนั่นเป็นเรื่องของเพลินตังแตเมื่คุณยิ้มทองยิมสก็เบิ่งเพลินเข่าแล้วมันชินเพนแต่ิมเพนเอาวินเร่ัิ้มน้ำซ้้านนั่นดจการปฏิบัติด้านจิตใจกัทําน้องเดียวกันเห็นวาเ็นเรื่องของเพลินก่อไว้ใด โา่กี่ท่าก็หลันการเจหน้ายัมอนยังนั่นเ้หจับก็เด็ฟังมันเป็นอี่หงคนหมู่หรือเป็นเทวบุเทดามันจะแดนไหมันยังเหยดไหลท่ามไหมันยังียังมีเศษหาย่มันเป็นอันไดมันจะว่เป็นแฝไห่ เป็นนื่องจากว่ามีนิปีเจ้าหน้าบัเห็ดวัทถาำวัวมันเรื่ององินอื่นการฟั้งแล้วพอกันกันครับไรมาลงหน้าตั้งหรือความจำจิดจำใจแล้วพอกันเทนำเทลังหมานเทใส่ไม่ก็สบัดออกสลัดออกโจ๊กวัดข้าวเจียวกระแหงนันก็คือเอาเทลงใ่ใ้ตุ่มในหายมันมีขังไห ยื้อใจบวรับโมพินิพเจนาเราได้บวเป็นสาาประโยชน์เงี้งให้ตั้งไปแล้วโพินิเจรานานั่ไปฝึกไปถ้ำเห็นมันเกิดมันเป็นมันเห็นมันหูน่ันก็ยังมีความสุขความสบายมี่นี่ดูดิด้อยืใจยิ้ใจไหลอารไหลถ้ำโมมีอันใด เป็นคุญคาดสาระให้สารับคนเท่าพอกระดูกระขายบ่ได้เหงอนั่งก็บกินบ่เป็นว่มีเสียงใดสิไห่ค่าไหลสาระก็เหมุษย์เท่าหากว่ามีคุณธรรมอั น, ดนใดเกดไก่ตายก็ยังมีผู้เอาไปสือไปขายไปต่มไปแกงกินได้คนเท่าตาย ว่ามีประโยชน์ได้นอกจากสีน้งสีเมนือทื่อๆหนังกะค้ายว่วได้เอ็นกระูกก็ค้ายว่วเป็ น, นเวลาเรามีลมหายใจมีกาลังวางซ่า ว, ว่าสร้างงามความดีได้กรีบเฮ็ดบทเอาไว้หายใจบันจุหามันใจัสบายอันน้นกูก็ได้เฮ็ดอันนี้กูก็ได้ทํา ใจหน้าถึงเลี่ยงตัวเหตุดตัวถ้ำ ม, มันจะเย็นใจสบายใจเบาใจว่าเกิดมาบัวไหค่ะเกิดมาหรืยเท่าสารประโยชน์ยิ่งใจได้รู้ได้เห็นความเป็นปายภายในมันจะยิ่งดูดดื่มเข้าไปว่มีวันถอดถอยถอดพ อ, อ, อ, อ, อรถของถ้มสนะรถทั่วไปเป่นว่า ไปในกำลับตำล่าจละสังธรรมาเสรีชินาสินะรล่ดของถ้ำสนะรลอดทางปวงความยินดีในถ้ำสนะความยินดีทางปวงการไหย่ถ้ำสนะการไหย่ท า, า, างปวงอก ถึงหวดชนะถึงความดีของธรรมมันเป็นอย่างไรธรรมจังชนะอันอื่นอย่างน่ะว่าพี่มีปีเจรณนาสามเหเี่ยมเพลนว่าการหายถ้ำชนะการหาทัท้งพวงการหาเ ข, าข่าโค้งเงื่อนทองต่างๆแต่ว่ามีทางที่แก่กิเลสตันหาได้ส่วนการหายถ้ำ ผูีน้่งไปฝึกไปสอมไปผู้ที่ปฏิบัติตามผลทุกไปได้เพราะว่าการหายถ้ำสนะการหายานะทางพวงรดท้องถ้ำสนะรถทางพวงผู้ที่เข้าถึงถ้ำผู้ที่นี่คิดใจเป็นถ้ำมีความัมผัสในถ้ำชนะรถอันอื่นรดเฉลี่ยต้นหา คลองตามต่างๆน้าน้าสีเขาเคยเิดเพลินคยยินดีมาจะเกาจะก่อนเพราะจะได้ลืมรถคองาําเหอาใจเหลืองคลองถ้ำเห็นแจ้งในเหลืองคลองถ้ำ ไ, ไ ป, ไปจากในเหลืองของถ้ำปล่อยมันใส่ลามันไปมันก็ว่ไปดอกใจเพเหตุไดพอยเหลืองคองถ้ำสีเขาหูในใจของเฮาเขาเห็นในใจของเฮาสีนี้รถฉาดฝังสันดานของเฮามันเป็นรถสี่เหลิอที่ประเสริฐ รถอื่นรถอันอื่นนั่นรถสีเกลียวแฝงไปด้วยยาพิษเกลียยน้าตาลอุได้มีความหลงกับือว่าหวานกินไป่างเป็นที่เป็นผิดถึงแก่ความหลมความตายไปได้ความหลมความหลงของเฮาคือมันดีเบื้องต้นแต่ต่อไปกับําถูกมาเผาใจของเฮา มีรถอันอื่นทั่วไปมันเต็นทั้นองนั้นรถของกรรมมาเสียดทั้งหลายกูยได้บัวหลวงในเรื่องเรานั่นเหาใจในอันในถ้ำมันกะตางกัะเบาไปว่ามีผิดมีไพ่อภัยมาเผาถึงเหลี่ยงเล่าทั่วไปมันสินี้อยู่ในโลกเสียงมันสินี้อยู่ในโลกกับบัวหลงบัวเพื่อน พอเล ด, ดื่มรถของทํำพอได้เห็นรถ้องทํำรถของทํำจันกงนะรถทางนอกเขาไป ห, หลงเขาไปหลงดีใจหน่ายมันเห็นมันเป็นเปนได้ิดใด้ใจที่เขาใจเองรถของทํำเป็นรถเลิศรถไปเสิร์รถวิเศษจิ้นหล่วบวเมื่อ บ, บันายาจืดโบาจาง เาเปิดเพื่อลดทางนอกอดทางนอกมันแสบมันน่วมันดีวิเศษแต่งใจเหมือเวล่าขี่เทาหลงเท่านั้นเพ้าหายจากหลงมันกับว่าดีวิเศษอันใดคนหายหลงจึงบ่ เพื่อนในรถไฟหนอกความยินดีในถ้ำยินดีตีๆในถ้ำเป็นเรื่องสีขณะความยินดีทั่วไปความยินดีในสวมในเสียงในกินในรถในสัมผัสค่ยคยๆประสบพบมากแล้วความยินดีในถ้ำมันเกิดขึ้นมันคิดกัน ความยินดีในะหลุดเสียงกินลดนัแน่นนั่นเป็นความยินดีเต็มไปด้ยวยความหลงเพรมันความยินดีหรือความลู้เดีมันแบกมันหามเดี๋ยวตันหามันทับมันถมเกี่ยวมันแสงคิดใจแฝงไะไรหลงเลยแล้วเมื่อไปไอเหลืองเรานะ่ะกันมาลูกเหลืองค้องท่มอมมเขาใจเหลืองค้องท่อม เกิดสลตั้งเวทเกิดเบื่เกิดนายควยินดีเ mm กิดเพื่อนเหลี่ยมถใส่เจ็บใเ็มากเก่าก่อนแว่ามันสนะความยินดีทั่วไปเรื่องเราิมันเคอยู่ในเฮ้าันอยู่ในผู้อื่นเฮาอยากได้อยากดีอยากเห็นอยากรู้มันจัง ต่างหาต่างาตาปฏิบัติได้อันเข้าวายากควมใจมั่นสิยากยู่งขนามันติดไปลูกไปเห็นแต่เหนื่อยอำนาจพยายามมันจะเป็นไปได้ถึงบวมมากบวมนิ่ดีแต่ต่อใจกอนมากคือข้นไข่บ่มมากยาเนี่ยกานกินแ ล, ล้วมันหายมันสิอยากกินจะได้กินแล้วมันเพิ่มโรคไข้ไข้เจ็บเข้าไปมันก็วาอยากกิน ยามันสิดผมสิเทียนสิดฝาดขนาดได้ก็ตามเขาไข่คนถูกทรมานมันลำคั่นกว่าการกินยากินยาลงไปอ่ะความถูกทรมานโรคไข้ในกายมันตกออกไปหายออกไปได้รับความเบาความสบายเข้ากับไฟย่ามกินเห็นว่าโรคของเขามันสียหายโดยาการกินยาแ น, น่นๆ นี่เอาบม้อไฟยามไข่ปันใด้ปวยปันใด้ก็ยังยินดีในโรคในไข้ยินดีในคว่มไข่คว่มปวยคว่ำตัวบ่ยินดีจีจะรักษาไม่ก็ะม่มีทางสิห้าได้นี่จัดใจีเอาไปป่าสะบมฝังกระเผาเท่านั้นคนจีบรีรักษาโรคไข้ไข้ในกายทํ้น้องนั่นคนจีบ่ีรักษา หลกภายภายในใจก็ทําน้องเดียวกันอัด ท, ำท่ำสีหนี้เป็นยุบเป็นยาําหรับแกไข่แล้วก็นํามาที่เจอหน้าน้ามาศึกษาน้ามาทรียสอบปล่อยไปป่อเดีเอาใจใส่ปลดอยไข่ควนอัดทำ่ำก็ห น, นุ่มหลงเราหลอนเกิดขึ้นทุกระยะทุกเวัยละความประมาทเล่นเลอะหมัวเมา ายจริงจังแคสิเพเศร้าใจอันใดก็บ่ดีศึกษาเอาไว้ก็บ่ดีรักัดกายใจของตัวก็เลยเดือหร้อนหวุนไวอ๋ออห้าเมฮะูหลันมาซอยมาดูแลรักษาเป็นภูณิีซอยได้ก็คองไขยคองมั่นตอเจ็บไข่จะดีค้มเจ็บป่วยข้อมดุบมตายช่วยกันได้ อาศัยกันได้ทั้งสัตวต่างคนเกิดมามันจะมีท้าพวกเพื่อนผงผู้เลี้ตายเลยแล้วมันควรได้แก้ได้เก็บเลยละซอยไหวซอยไหวโมีผู้เดี้ยหาได้หนาวนี่มันโมเป็นทํานนองน่ะมันเป็นกองสะพ้อตัวมันยังให้ฝึกสอบอบรมรักษาฝึกปฏิบัติอใจมันเห็นมันเป็นมันหูหัมันเห็นมันหู พอใจตามเป็นจริงหะ่ะมันก็บรรลงอันนี้มันเกิดมากมันมีแก้ควนอันนี้มันเกิดมากมันมีแตกสลายเข้าใจสณัดชัดเจนว่มีทางสี่แกะไขเราเพราว่าตั้งแต่เห่าพรพุทธเจ้าครูคนหลูกก็เห่าวิเศษองเห่าเหมือนแกะไขว่าได้มันกแกะไขได้มันก็บรรลนี่ผ่านเล่าติดไปมัวเมาหลุ่มหลงเอียงนะกองหลูกลกองขันอันนี้ มันจะมีทางที่จะฟวงว่างวาปวดป่วยใจเอกเย์เยี่ยวูกายท้องตัวต่อาการกลหลุอกลมสูเห็นเนปนนจจเนววน็นจริงว่าเฮ็ดปวท่ามันแยกได้ไปจัดเกมันได้จังใดแล้วว่าจิมอยางให้อิ่มว่าเฮ็ดปวท่ามอย่างใดเป็นหนังจริงหนีมากแต่มันคิดสมบัติบ้า มันคิดสมันดีคนดีเขาต้องหาเวลาอยากได้เวลาหิวต้องกินมันจังอิ่เวลาอยากได้ต้องหามันจังเห็นจังได้ปกติเขาหลบของถ้ำเป็นทํำนองน่ะผู้ชายเจ้ามนจะแสวงหาหมวกผ้าถนับพบนับขาดบ่ได้จนมาถึง ปัจจุบันเพื่นก็สแสวงหาวอยู่ในภาษาลาดศวังว้ติดทุกข้องโลก น, นี่สมบัติเข่าของเงินท่องหมา ก, มากไม้กายฟองขนาดใดใจมนันยังเป็นทุกยังเดือดร้อนอยู่มันบอมันเป็นทุกน้ำเ ข, าข่าขวางน้ำเงินนําท่องนี่จินนี่ใช่เป็นไหตดมันจะเป็นทุกทุกนี่มันเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหา ควาบอกพ่อหมอพ่อดีพวามมีอาช้ำมันจงแสวงหาอาช้ำความพ่อมอพ่อดีเองคิดคลองใจแต่แสวงหาในที่ตลางๆเกิดเหนื่อยก็เชพ่อผีเห็นมาแล้วกระบอกแห้งบอกสังวนฤกษชิตนำมาสอนกุศลวิสัชผู้สูงนี่ความหมุ่งหมันน่นนะ การประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นจริงได้ลาทอนเลี่ยได้เดี๋ยวพวกผู้ใต้จคบูอาจารย์กับทั้งน้องเดียวกันตั้งแต่ตั้งองค์แต่สดับเราฟังจากตำรับตำหน้าจากคู่บาอาจารย์จต่เประพฤติปฏิบัติเรื่ความผากความเพียรบากบันพยายามคิดตามแก้ไความเสียของตัวอยู่เรื่อย ม so so ันที่สุดมันจะได้ถึงความดีดีเศษได้ข้อสิ่งที่จะน่าจังไดเสยมันตายไปคือเอาคือบวงคือเบิ่งทางบิ่งขางเยี่ยนผ้าั้งเพลิงอย่างเร่เข้าเขาก่อนมัมีบนเพลิงบนอาศัยได้กันมันพังไปแหละนี่มันได้จากกรดำเกาได้จากพุนเกาข้อไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาเคยปฏิบัติอัชธรมมาพ่อสมควรเสียฟุ้งพ่อมนุษย์มันจึงเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เขาบว่ามีคุณธรรมอันใดมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดก็ได้อยากอันใดมันก็อยากซื้อซือื้อสรรกับคนบัมีเงินมีท่องอยากสิ่งอยากของอันยิบอันดีมันก็อยากซื้อซื้อมันมีเงินสืบซื้อม่นมีการย่าสืหะ แจงต่คลองดีสองมีคลองแหลกเตียนเขามันจมมจแจงได้มากว่มีเซียนแหลกเซียนนะกระบะได้มีการอยากเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวะบุตรเทวดาทํ า, า, า, ามนม่งอเดียวกันสองมีอมัดถ้ำแหลกเตียนแจงไดเกิดบ่ายาวหนักมันกระบะเกิดเดือดกันมดสัดในโลกอันนี้มันไม่อยากพูดอยากหยาดอยากลบากลำข้าน่นหรือหัวควายเอาขาดเอาใช้ ใ่ความมันอยูแตม่มันต้องการว่ว่มว่าต้องการแต่จำเป็นภกชาตของเขาแต่จและวรรลร่ำบากไฝเพราะว่านีคุณความดีอันใดสิเดมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ได้สวยกรรมของเขาไฝสิมาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่า เ, เนนาเป็นผู้ถี่โศคดีมีทุนเือบุญกุศล ส, สนับสนุนให้แต่ว่าเกิด แต่มัเกิดได้ลืมหลงบ่สั่งคุณงามความดีเอาไว้นะนะจายไปเีินทั้งมูลมูอาศัยที่หันว่าอยากไปร้องนะลูกใครที่อยากไปพื่สันก็กูได้ว่าอยากเป็นี่กุกกิตะล่างว่าถึกอยากเอาใจโสเทตวนนั่นแะแต่เหมือนถาำัวมันเกิดจำเสียน ก็ต้องจับต้องคุมสามทนนักโทนเบานักหลายเขาเอาไปประหารทหารขาทีมมันนักแผ่นดินดูแหลงหัวกันสารประโยชน์คนที่ซามตัวอย่างเง็้คนตัวถึงคนว่ต้องการจะได้มาเป็นของของตัวคนที่ซ้ำดีถึงมันที่ลำบากอยากแฉนขนาดใด พยายามท่าไปความคดมใจท่ามัแต่ดีดอกพอพดีกวาบวกมพยายามความพยายามคือความเพียรความเพียรคือท่าความอดความทนมมาก ย, ยขางเป็สว่าสันติท่ามเป็ท น, ทนท่ามทั้งนั้นา อ, อยากพยายาม ขักเยนเอาคือมันบมเป็นโมไปโรืออดทนไปย่างมีทีแคหน้นาไปบมได้ห้าหนี่บโดีห้าหนี่ยเลยหาหน้ามันสิดีดิเป็นให้ห่าเอาคิดถ้าน้องนั่นมันค า, าบไายวันคาบไก่ของเน่ามันค่อยเป็นไปนสำหรับตำล่ า, าววบัานคือเรื่องาไหวคนที่บ่ยินดีพอใจถูกู้ลู ผู้สาหอาอุบายให้การเดิกได้ดีไปกันนี้ยังลูกหลานเขาอนาขาตพินิ่การเศ็ษทีมวยอยิ่ดีอยากเขาวัดเขาว่าอยากสาผ้าจะสาเจ้านี่สังเกตเห็นแต่เพื่อนคนอื่นเขาเาวัดเขาว่ า, าจำสินเพร า, วาะว่าหน้าคนคนมันเขาเอาใจใส่อันใด พ่มีอุบายเขาประกาไปว่าเขาจะให้เงินอนถอนหน่อยถอนหนี้ท่านจ้างให้เขาไปหลวงอมอยากได้เงือนกัไปไปแต่ว่าเฮ็ดยิงละพระพุทธเจ้าเฉียดกับบฟังอาลาภาโนนขออนมือเศ้ามากแต่ว่าพอรับเงื่อนจากฟอกพอ็ะหไปต่อมาพอห้ไปฟังช้ำ ฟังไปเองสันละโดยพวค ว, ม บ, ควมบ่อใจใสควมบ่อยาบหูอยาตลาดอันไหนในอัดในท่อมอันอยากได้เงินเดี๋ยว่องเท่านั้น้วขอรับเงินแล้วช่องพ่อกระหาต่อไปขันม่นจาได้ในอัท่อมที่เพื่นเทศเพื่อนสอนนั่นที่หาเงินก่อนไงก้อนนี้ เดี๋ยวได้เทเลท่านเทเลเมื่อนจาได้มากพอหาอุบายอย่างนั้นคนรนั่นจะต้องการเงินได้เงินมากไปเที่ยวไปเดินมันสะดวกสบายใส่สุ้ายอันใดมันจะได้สมควรพัฒนาสำหรับอยู่ในโลกด้วยความจิตอยได้เงินได้ท่องมากมายกายของอย่างนั้นไปฟัง เวลาพูดให้เจ้าเท่ใคาบ่สตังใจฟังมันก็จำบ่อได้ฮะมันจำบ่อได้พ่อก็สศิวให้เงินเลยสั่งใจฟังตั่งใจไปตั่งใจมากที่แค่หน้าอย่างเหตุผลที่ควนเท่มันถูกมันแมนผลที่ชุดเราก็ได้เป็นพระโซดาเป็นพระอริยะเจ้ามันกลับมาพอศิวะเงินให แล้วก็ว่ยินดีเต็มใจขอถ้ำที่ได้มีคุณค่ามีสาระหญะิงกว่วเงินกว่ว ท, อ ง, ท, อ, งทองบาดีต้องบัวตองมังคาบันซ่าไปเองฟังเองถ้ำเองความดีต่างๆหมายถึงผู้ดีอดทนพยายามบ่อยากแะกก่ออดก่อทน ไปเพร อ, อยากได้เงินนี่เขาอยากไปสวรรค์สันส่าอยากไปเป็นเทวบุตรเทวดาอยากไปมีข้านใจพวกเขาบ่อยากเอ้ากับหาอุบายสอนมันแหะนํามั่นมันเห็นอนันต์ช่ำอ น, นี้มมัน่นจีด้บุญเด็กสุขสวนอย่างหล่ น, นยางนี่มันจีมีความถูกข้องติดข้องใจถึงมันบ่อยากแตวังครับมันซ่าให้มันเห็นมันทําไป บุญมันมีอยู่หมดนะตั้งผู้มีปัญญาตาจะเป็นบุญหูจะเป็นบุญดังก็เป็นบุญริ้ก็เป็นบุญตายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญคนหูจะบุญไปทางไหนบบวนตาเห็นอันใดก้อนจิตตำราชาสาังหากวนหกวันเฮียอ่วัดว่าฤกษดีสลก ะ, กะกะปั๊บกะวดมันจะเป็นบุญจะเห็น อันใดสี่ข่วนตำละเห็นอันใดสี่ขวรนําม า, ากเกิดเป็นบุญดอกใหม่ถูกเทียนเป็นอยู่ปลาอยู่ดงลากหน้าข้างญยาเย็บมากเป็นท่านมันจะเป็นบุญบุญมันอยู่น้ปัญญาปัญญาปญญารามีเนบผู้มีปัญญาหะหาได้แตผู้ว่ามีปัญญามันเ่งหยีบ้องบุญใส่ไว้ก็บโมโหจักบุญได้บ่ดใดสาราประโยชน์อันใดเพื่นจ้าให ใก่ปัญญาไก่จะะิตพิจารณาสั่งเอาตาได้เห็นอยากที่เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวนำมาสอนจิตสอนใจตัวเองให้เห็ดให้ท่าให้พูดให้จาให้พิจะะารณามันเป็นบุญได้ถึงผู้ชาวผู้แก่เห็นคนเจ็บคนป่วยก็นำมา พีแก่น่ะนอนก็มาใส่ส่วของส่วแต่้ากรเขาบัท่านนี่หลกไข่ไข่นาวอันไรเขาก็ไปได้มากสะดวกเรืาเขารวยไข่มากอยากไปใส่มากใส่ก็ไปบัวได้เท่ากันเป็นปัวยเป็นไข่แต่ที่ชอนอนเดียวกันไรแดนนี่เราโศกดีบ่มีหลกไข้ไข่นาวเหยียดเยียนไดนมานอนหลกเก่าเงาห้อยซึ่งเขาน้อสีสานก้อมดีเอาไว้เหมือมันบัวยมันไข่ ไปว่าไปว่าจำชินเพราวะวนะ่าน้าถ้าหมุนทุนท่าอันใดมันก็ไปบ่ได้สอนใจต้องเก็บของให้มันซึนให้มันหู้ให้มันใส่ใจ แ, แต่ถ้ำพุ่นความดีทวี่พุ่นขึ้นหมายเงตาได้ดูสอนทั้งกายทั้งใจของตัวได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้หูเดีฟังแต่ถ้านอกเดียวกัน ิีี่ตต่างๆนันเนขะ า, าไยยิ้มแต่จำมาทีนีจาปันจ้าลปาเรมานั่งว่าตาเรามานั่งว่าล่ะรามนั่งว่ายกขั้นเทาเรามานั่งว่าวคนาา น, หนัหมายถึงตาเลูิใ่ิิตามอย่างฟัท่าหูเลยยินเสียงดังเลถูกกินลื่นในรถกายเลยสัมผัส เป็นบุเป็นูสเป็นอารอมณ์ของตามาค่อยจรสวรรค์ดได้ใข่คิดในอดในท่มามอาบว่าข่คิดล่ะมันจะได้โบเห็นอันใดโลอ ก, กอันนี้จะได้โบมีอันใดเป็นของดีเศษนี่เป็นใจกี้เลี้ยงวมทัดช้ใจเรืยอย่อยไปเห็นอันใดแต่นี่จังจะว่าข่คิดเหลี่ยงกองท่ามเราจะไข่คิดเหล่ยงกองโลก นั่นคือเรื่องของพิเรศส่งสารทั้งหลายมั่ก่อนเป็นไปได้ท่านกันมากเป็นหลกเป็นท้องสารดูเหี้ตเห็นแต่ยิ่มอยียดเดี่ยวแต่ว่าเห้ามันสันบมีอาจมีท่ามีสติปัญญาเก็นเฉพาะกันกับสัตว์ธรรมดาบมีอไรที่แกแจกางกับเขาเมันเป็นศาตร์ประเสริฐ มีเตรีมีกัญญาแต่ทิที่เจอหน้าแตกายใจใของตนขาสร้งกรรมธโม่ออกเขาบอกอย่างควอย่างดีอย่างไหนก็คจับเพื่อเอาบุญจับหิ